เสีทางหายไปฟังกัูบาคุณชุมหรือเปล่าวันนี้ครบาคุณชุมที่สนามกีฬาวันนีมาช้าลงซาลาช้าขึ้นพักแป๊บนึ่ง เราลองทาวัดหายไปเลยจากนี้ไปวันที่สิบสองสามีถึงสิบสิบห้าไม่ได้อยู่วัดนที่16บถึงที่สิบแปด ไปยาว <c oughs> นักเรอยู่ก่าธรรมทีธรรมทีเจ้าบ้านเจ้าบ้านมีที่บรรพบแคร์แขก <c oughs> ไปไทยมา ถึงบ้านกับแขกกับคนแข่มาถึงคนไปคนมา <c oughs> เราฟังลองลองอัดคิดให้มันเป็นธรรมะพวกนั้มันจะไม่เกิดเป็นยา เอาเชกายกับใจเป็นเรื่น ง, ง, แบบงที่เข้าใจยากเรียนรู้เลยยากจริงอก็พูดถึงคำว่าบ้านเร า, าโอปปามาบอปปายดูถ้ามีแต่บ้านไม่มีคนอยู่มันจะเป็นยังไง บ้านลักษณะที่หนึ่งคือมีแต่บ้านแต่ไม่มีใครอยู่ลักษณะ ท, ที่สองก็คือมีบ้านแล้วก็มีคนอยู่ด้วยและแถมอีกอย่างก็ลักษณะ ท, ที่สามก็คือมีบ้านมีคนอยู่ แต่ว่าทะเลาะกันทุกวันดูบ้านสัหลังจะต่างนันบ้านหลังแรกมีบ้านแต่มีคนอยู่เราก็รูบ้านร้างถ้าหนักกว่านั้นอีกหน่อยเขาบอกว่าบ้านปีสิง เขาเรียกคนไม่อยู่ไม่มีคนอยู่ผีอยู่แทนเพราะไม่มีคนอยู่โรยาบาลีสิงบ้านหลังแรกคุณมีแต่บ้านคุณมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจ เราคนดเรภาพอเรืภาพตามมีแต่ร่างกายเฉยแต่จี่ใจไม่มีคนยูนไม่มีถ้าเป็นคนเร็วคนตายคือมีแต่กายไม่มีใจครับบ้านนั้นจะมีประโยชน์อะไรหลังแกโตอุดมสวยงาม แต่ไม่มีใอยู่คือปัสจักจิตเองแต่ลักษณนนี้ก็เรียกว่าอเปตวิญญาณคือปัสจักจิตวิญญาณมีรัฐถังวัก็เลสกำลั ง, งเขาไม่มีประโยชน์เหมือนต้นไม้ต้นฟืนก็เอาไปทำไม้ไปทำฟืนก็ือวันหลังแรง บ้านที่สองมีบ้านมีคนอยู่ด้วยกันไม่สันติคเดีอยู่ระทับเบาเองแต่เปนกันอยู่บางไม่อยู่บางก็คือจิตอยู่กับตัวบางไม่อยู่กับตัวบาง วันด <emás S 2> ีคือดีนนี้เอาไปเที่ยวนอกนอกบ้านนอกตัวคือไม่อยู่กับตัวแต่ก็ยังดีนะยังกลับไปกลับมากลับมากลับไปเหมือนเราตอนนี้เราจากบ้านมาเดี๋ยวกลับเขไปบ้านอีกเดี๋ยวก็บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกหมดเลยบ้านหลังต่อไปคืออยู่เดี๋ยวก็ทะลาะกันมีกวาปัดแย่ง พิรุธขัดขัดเคืองมันไม่มีความสุขภาวะเกิดขึ้นก็คือเราไปรับอารมณ์มาถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเอาเข้ามาบ้านก็ามาทะเลาะกนันเกิดดีมันก็ชอบไม่ดีมันก็ไม่ชอบจิตมันเป็นอย่างนี้นมันจะไปดีบ้างมันดีบ้างจิตของเราก็คือเจ้าของบ้านก็ บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายกลับไปกลับมาแต่ัโชคดีที่เรายังมีอยู่คือมีบ้านอยู่อย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสปรดกวดเช็ดหู <c oughs> ดูเลยสบาบเสมอไม่ปลปอยปากเราเอถ้าถามว่าบ้านเรามันก็มีช่องประตูหน้าต่างสารพัดช่อง ชองน้อยบ้างจํางใหญ่บ้าก็เป็นที่อยู่ของข้างนอกแม้เราปิดเราไม่เปิดมันก็ดึงดูดเข้ามาได้ของน้อยของเล็กของละเอียดอย่างเช่นกี่ฝุ่นหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นเธอไม่ปัดไม่ปัดไม่ชุดไม่ถูมันก็สุกภพเราไมา่อยู่บ้านสักอาทิสองอาทิตย์ก็จะเห็นชัดเจน าการคือร่างกายงเราเช่นเดียวกันขอที่มันละเอียดตื่นมาจะเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังตาธรรมดาอันนี้ถ้าไม่มีปัญญาเราไม่มีทางที่จะมองเห็นสิ่งนี้เลยปัญญาไม่เกิดมาว่าภาวนาปัญญาไม่เกิดในกระดต่สัญญา มันไม่สมาธิกาจัดกขาแค่เบื้องต้นคือเห็นสิ่งเหล่านี้วันมันแอบแฝงอยู่ในบ้านของเราไม่สมาธิกําจัดมันออกมาได้ดังการภาวนาเท่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าคนภาวนาวเรียกว่าการภาวนาเท่านั้นที่จะมองเป็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง ย้รมาทำความเป็นจริงเขาราวบ้านท่านหนึ่งว่าเราไปอยู่ชั่วคราวร่างกายของเราไปอยู่ชั่วคราวอยู่เพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีไปหมดทางใดก็ตามทางกายก็ดีทางวาจาดีทางใจก็ดีเพื่อบำเพ็นบารมีให้ไม่ได้สักอย่างให้ไม่ได้สักทางวันวันหนึ่งเดียวทางกายก็ไม่ได้ ทางวิชาเขาแบบทางจิตก็ไม่ได้แต่ว่าไม่มีดีอะไรไม่มีอะไรดีเข้ามาบ้านเราเลยตัวคนไม่ีดีอันไม่มีดีเข้ามาบ้านเมื่อของไม่ดีมีบ้านก็ตรงนั่งขังมันก็มีแต่ของไม่ดีเข้ามาในบ้านบ้านก็สกปรกไม่สะอาดคือจิตนั่นแหละ จิตไม่สะอาดจิตมันสกปรกเมื่อรู้จิตมัสกปรกไม่ชำระเหมือนเรารู้ว่าร่างกายของเราวันนี้ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้แปรงฟันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละวันก็ต้องอาบน้ำก็ต้องชำระเสื้อผ้าอาภรทุกอย่างต้องเอาไปชำระไปซักไปล้าง มันคืสะอาดหรือไม่เดี๋ยวก็สกปรกอนะีกเหมือนกันจิตของเราก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ทาความสะอาดมันเลยมืบอบ้านจมรองหถที่อยู่ที่พักที่ไายใสไม่ปัดกวัดเช็ดทุมันก็สกปรกโสมเต็มไปดคบบวามขยะจิตของเราเช่นเดียวกันเราไม่เคยชำระสึ่งด่านนี้ การชำระสิ่งเหล่านี้เบืงต้นคือชาระสินคือมุ่งปฏิกายกับาจาประกายศับาจาอันนี้อยู่ไปเพื่อไม่มีความเดีอดร้อนที่กันแล้วกันตัวเองไม่ดเดอดอนคนอื่นไม่เดอดอนคือปกติบ่วาสินมันไ่ได้ผิดปกติมันเยนมันไม่รอน ก็เรียกว่าปกติแต่มันร้อนก็มาแล้วผิดปกตินั่นแหะครูสบันกรุนมีสิ่มีสินงเป็นที่รองรับชัดเจนแล้วที่ต่อไปก็คือต้องชำระข้อต่อไปจิตจิตมันมั่นคงมันตรงต่อธรรมคือมีอารมณ์ ที่มีส่างไปข้างนอกมีอารมเป็นอันเดียวมีอารมเป็นหแต่ถ้ายังไม่มีก็หาวิธียังไงก็ได้ทีจิตของเราเนี่ยอยู่กับที่กับทางหาเชือกมัดเป็นสิ่งสาระสัตว์มันไม่อยู่ก็หาเชือกมามัดเลยก็คือเครื่องมัดของจิตตัเองเครื่องผกก็คือคําบริกรรม จะด้วยคำบริกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมุ่งไปที่ความหมายหรือ ว, ว, วิธีการหรือ ว, ว่าหลักการมันก็ไม่แตกต่างกันแต่ตามกันรดูเป้าหมายว่าคำบริกรรมหลังจากคาบริกรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นต่างหากแต่เราก็ไปเทียมกันแค่หลักการนั่นดีอันนี้ดีเอาแค่หลักการมาคุยมาเทียมกันแต่ทุกคนทําได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดเหมือนจะเข้ามาเชียงใหม่คนที่เคยมาทางแม่ริมก็บอกไปเชียงใหม่เข้ายังไงก็เขาทั้งนี้ที่แม่ริมของสิงห์ก็เขาเคยเข้ามาอย่างนี้เขาก็ไม่ผิดเขาเขาพูดถูกฝั่งที่อยู่เจำทองหางโดงก็บอกมาทางนี้อฝั่งอยู่สันกรแพงเคยมาเลยเขาเขาบอกมาทางนี้ มันไม่ผิดไม่มีถูกนั่นคือทางเข้าช่องทางเข้าไหนเข้าสู่บ้านบ้า น, น, นคือจิตเมื่อเข้าสู่กลางเมืองคือใจมันก็ไม่แตกต่างกันแต่เราเราติดเทียงกันว่าเข้าทางไหนถูกเข้าทางไหนผิดมันไม่มีถูกไม่มีผิดขอให้เข้าอยู่ข้างในได้ขอให้เข้าใจได้พาดูจับใจได้ อันนี้คือใจอันนี้คือจิตที่กันคือจิตในขณะนั้นเป็นยังไงเมื่อมันก็เพื่มมันโดนกระแทกจากภาษาข้างนอกจากภาวะที่คือจับข้างนอกจิตมันก็เพื่มมันเคลื่อนมันวันไวพราะมันไปรับเอามาข้นอกแล้วมันรับไม่ได้ไปตามสัญญาเรามันผิดปกติไปตามความจำ พิจารณาว่าอันนี้คือมันรักษาแบบนี้พันธะพิจารณาอาการของจิตนะว่าจะเป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงนะที่เกิดจากจิตมันก็จะเห็นพอจิตมันปกติแล้วจิตมันนิ่งแล้วเราก็จะเห็นมันก็เพิ่มเมื่อไหร่เราก็จะเห็นแต่ว่าก่อนหน้านั้นในขณะที่มันก็เพิ่มเนี่ยมองไม่เห็นมันเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นเต็มไปด้วยตะกอ เอาง่ายๆมือกับน้ำเอาใส่ขวดพอหินใส่ลงไปทรายใส่ลงไปเราก็แยกไม่ออกพอโดนขยา่าวโดนขยับขยับขวดโยกไปโยกมาตะกอนที่อยู่ข้างล่างมันก็เริ่มเริ่มเห็นว่าโอมันไม่ปกติแล้วมันเริ่มขนุนมันเริ่มหมู ทำยางไงถึงไม่ให้คุณใหมัว่ก็จับให้มันอยู่เฉยๆก่อนให้ขวดมันตั้งก่อนนี่แหละที่เรียกว่าตั้งใจตั้งจิตให้จิตมันตั้งก่อนให้ใจมันตั้งก่อนแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นมันจะลงเข้ามันเองไอ้ที่เป็นที่ฝุ่นขี้ตะกรที่มันฟุ้งที่มันคลนที่มันโมว เดี๋ยวก็กลับสูสภาพเราปกติมันก็จะแยกออกว่าน้ำก็คือน้ำขี้ผลนก็คือขี้ผุนมันก็แยกออกน้ำก็ใสเริ่องนึงนะจิตของเราเช่นเดียวกันมันถูกรบกวนมันถูกภัดสะกระทบกระแทกกวัดแกว่งไปมามันมองไม่เห็นอะไรเลยมันหน้ามือตามัว ไม่เห็นมองไม่เห็นของดีของปาะดีทั้งนั้นจิตมันมืดจิตมันมัวนั้นสมาธิคือจิตมุงมันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นี้จึงเป็นเรื่องสําคัญถ้างั้นก็จะแยกไม่ออกว่าน้ำกับน้ำขุนกับคุนมัวไปหมดเราก็จะแยกไม่ออกสายถ้าเราแยกออกน้ําเป็นน้ำเราจะรู้วิธีเอาถ้าไม่อยากให้น้ํามันขุนถ้าอยู่เฉย ไปต้ไปกวนมันเราสงบ้วยธรรมชาติของมันบ้านนี่นคือธรรมชาติของเขาจิตของเราก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติอะไรตอย่างนั้นนี่ระวังดูว่าจิตของเราถ้าจิตที่ไม่มีสติมันต่างกันยังไงสติคืออะไรถ้าเป็นร่างกายถ้าคนเราเป็นผลักผู้ใหญ่ก็คือร่างกาย เหมือนกับเด็กๆที่ประสบการณ์น้อยอผู้ใหญ่จำเป็นต้องดูแลต้องระมัดระวังไะ่ให้เขาไปสแสดงอดอกพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีแล้่กฉจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็มีคนคอยดูแลประกอบประคองโตแล้วเขาจะรู้เขาเองเขช่วยเขาเองได้เหมือนพวกเรา เรืกๆก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยประับปะคองนะคือสติคอยประกับปรครองว่ อ, อ, อ, ง อ, อันนั้นอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ทำแล้วมันอันตรายเด็กมันไม่รู้มไม่รู้นะั่นคืออวิชชาคำว่าไม่รู้นั่นและคืออวิชชาจะไปโทษเด็กไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จิตก็เหมือนกันถ้าได้รับการอุรมเลย ไม่ได้กันดูแลเลยไม่ได้การสั่งสอนเลยจากเราคือตัวเราเองจริงมันก็มีรู้มันก็มันก็เด็กๆทีนี้โตไปเรื่อยวันเดือนปีนับเอาหนึ่งเดือนหนึ่งปี2ปีสามปีโดยที่เด็กไม่มีความรู้ไม่สู่กระบวนการเรียนรู้ความก็เหมือนเดิมกระดูกสภาเพเหเด็กสภาวพเหตุมันเป็นเด็กเหมือนเดิมสมมติว่าเด็กเกิดมาแล้ว คนหนึ่งเรียนแต่ก็รู้ประสบการณ์สามครัอีกคนหนึ่งไม่ต้องเลยปล่อยธรรมชาติแล้วเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กสองคนถ้าโตแบบธรรมชาติเขาก็โตไปเหมือนกินนอนเดินยืนเดินนั่งเหมือนกันหมดแต่จะไม่ม hmm. ีความรู้สึกภาพผิดชอบชั่วดีใดๆ เห็นก็ไก่ก็ไข่ก็อ่านไม่ออกเห็นเหมือนกันแต่อ่านไม่ออกเห็น A B C D เห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้มันคืออะไรภาษาต่างๆเหมือนกันอานี่เห็นเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเพราะไม่มีการเรียนรู้คือไม่มีการเรียนแล้วก็ไม่มีการรู้ขึ้นมาก็สักแตไม่เห็นนี่คือความแตกต่างจิตของเราเหมือนกันถ้าไม้รับการอุรมณพัฒนาเลย เป็นขั้นตอนมาตาลันดาตั้งแต่เด็กจนโตมันก็จะเป็นอย่างนี้มันมีพัฒนาการพัฒนาการคือเจอดีคือต่างกับคนที่เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ต่อความสามารถในวชีวิตอยู่ดั่งก็ใช้ความรู้ความสมบัติที่ต้องเรียนมันแม่รู้แบบโลกโลกก็ตามก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้รู้เห็นเข้าใจ ตัวภาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวใกล้ตัวนี่คือควเดต่างการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันคนที่ไม่ปฏิบัติเลยเป็นคนเหมือนกันแหละแต่เขาจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่มีความรู้ภูมิอัดภูมิธรรมภูมิอัดคือเนื้อหาภูมิธรรมคือชั้นคือความสลายองามิตไม่มีเลยแยกแยะเมื่อมีมันก็แยกแยะอะไรไม่ออกสุดท้าย ทำประดาเอาหน้าของใจของจิตหรือจิตที่มันอยากช้าสัญชาติยานเดิมพีสสะส ม, มไม่รู้กี่พบกี่ชาติออกแสดงกิยาอาการไปตามนั้นสามารถจะควบคุมตัวเองได้ถ้าจะเปรียบเทียบให้ดังดักเยี่ยงก็่อยคือเหมือนสิงสารสาัตว์ขเขก็แค่สัญชาติยา น, นันเองว่าเขาไม่มี ปัจจัยอย่างมือของเราปัจจัยสี่กินแล้มันไม่มีเสื 45, อ้อผ้าอาหารที่อยู่การักษาโรคไม่มีนมี่ไม่คือความแตกต่างเ <c oughs> รื่องกินไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องการสะสมไม่ต้องพูดถึงเรืกกรสส่องสุขไม่ต้องพูดถึงเรื่องการปรุงการแต่งรสชางไม่ต้องพูดถึงเขียวเมื่มไหรก็หากินแต่แม้สิ่งที่ตัวจะกินเรลวสัตว์ มีชีวิตยอยู่หรือตายก็ไม่ได้สนใจขอให้กินขอให้มีอาหารอั น, นั่นคือชีวิตของสัตว์มกีความแตกตา่างถ้าเราไม่ฝึกเลยจิตเราก็จะเป็นอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ในภาพที่ร่างกายเป็นคนใช่ไมนั่เรียกแต่อมรุทธ์เรียกแเป็นคนแต่พฤติการที่มันแสดงออกมันไม่ใช่เลย ทำได้ยังไงลูกพ่อแม่ขอบครัพืชฟูปนาติปตาทำได้อย่างไรกระเพาะปัติมันไม่รับการฝึกผลพัฒนามันไม่รู้จักรับผิดชอบช่วดีคนเพทนี้เขาต้องไปจับกคุ่มขังทรมานตทรากรรมแล้วคุกตางนั่นแหละจะไปขังไปคุกเขาตาง เมื่อพูดตัวดีแล้วอคขบตามกำหนดหรือประยะเวลาเขาก็ปล่อยออกมาแต่ถ้าทำอีก ก, ก็จะจับผู้อีกหรือร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตตามสมควรแก่โทรสารท์โทษจิตของเรานี่ก็เช่นเดียวกันถ้ามันปราศจากศีลห้าหรือไม่มีสักข้อใดเลย แน่นอนที่สุดมู่ไปที่คุกเหมือนกันแต่คุกนั้นไม่ใช่คุกตารางหรือสุงคมราชทันคุกนั้นคือวัดตะเราก็โดนขังในวัดตะน่คือคุกใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลอันนี้คือคุกที่ใหญ่ที่สุดในแบบชามแดนโลกกระา่านนี่คือคุกที่ใหญ่ที่สุดใครติดคุกนี้ยาก ที่จะหลุดพ้นออกจากคุกอันนี้ได้คนที่จะออกจากคุกอนันนี้ได้ในวรต่งหลักฐารอันนี้ได้ก็เริ่มต้นแค่นี้แหละต้องมีสี่ห้านะสี่ห้าต้องครบเหมือนคนติดคุกติดตารางถ้าทําตัวดีก็ลดหย่อนพทษเดี๋ยวก็ได้ออกมาออกมาข้างนอกตามปกติ ถ้ามีสินห้าครบอย่างน้อยสุดก็กลับมาเหมือนเดิมถ้าสินห้าครบเนื่องสินห้าจึงเป็นเป็นหลักประกันเ่าเออเราจะไม่ติดคุกซ้ำซากวนเวียนถ้าพื้นฐานอันนี้เราดีสินห้ามีความหมายมากมีความหมายทึกซึ้งไม่ใช่แค่ว่าสมธานในวันวันมันหรือประจํา ปริยัติไปวันๆเดี๋ยวไม่กระดึงถึงข้อถึเปฏิบัตินี่นี่คืออนุสองดูคุณของสินห้าในขณะที่การสินห้าไม่ครบไม่บริบูรณ์ท่านก็ะเพียอเรียบงะไรเป็นงานคุณอาจารย์นะาระเพียบเทียบนี่เอาตัวเราเป็นหลักโอภิโมภิมัยแต่ละขั้งเพื่อมองภาพชัดเจนและใกล้ตัวที่สุดก็คือเอาตัวเราก็คือ แขนสองขาสองศีษะหนึ่งรูอาจารย์ท่าเนเดือดที่สุดอันนี้คือหาอ้าขอครบถ้าไม่ครบขาดไปอันหนึง่งเช่นปนาติปาตา <c oughs> ก็เขนหายไปข้างหนึ่งแล้ว อ, อธินาธานาก็เขนหายไปอีกข้างหนึ่งหายไปสองแขนแล้วก็เหลือแต่ขาคือไม่ครบเลยก็หมด แต่จเราทั้หมดเลยนี่นคือคนที่ไม่มีสียหาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสียหายมันจริงทำได้ทุกอย่างเกินที่เราคาดคิดออกไป้ว่าทำได้อย่างไรได้เพราะเขาไม่มีอะไรเลยอยู่ในสมองแม้แต่ ส, ส, รสรารบรรเทาเบงไม่มีเลยมันไม่เกรงกลัวใดเลยเห็น ไ, ไหมอันตรายร้ายแรงหรือ หลังจากติดโทษติดคุกติดแรงไม่เท่าไหร่ออกมาก็ครบเหมือนเดิมนะแต่คุกเนว่ตายสงสารน่นเนี่ยไปไปติดโทษไปเสวยไปเสวยกรรมเสวยผลกรรมด้วยเองตามไหมกลับมาอีกทีเราก็เห็นบางคนก็มีแขนข้างเดียวก็มีใช่ไหมหายไปสองข้างก็มีขาสองข้างหายไปเลยก็มีหัวตาสองข้างไปเลยแต่ข้างเดียวหรือ มีแต่ตาเฉยรู้ว่านี่เป็นตาแต่ดูไม่ได้เหมืหอนคนเขามีแต่ปากเหมือนกันแต่พูดไม่ได้เหมือนอื่นเขามีหูเคาบเหมืหอมนกันแต่ใช่ไม่ได้เหมืหอนนอื่นเขาเห็นไหมนี่นคือผลคืเศษกรรมของเขาที่ตัวเองทำไปมันก็เห็นข้อแตกตา่างเลยเมื่อเรีนสิ่งนี้นเลยแล้วจิตตะสังเวชความสังเวชของจิตความสลดของจิต มันก็เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้จิตที่มีธรรมะจิตที่เข้าใจธรรม ะ, ระ ก, กระด้โอประนาจโกน้อมกาตัวเองบอกโอ้ถ้าจิตของเราเนี่เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ไปมันคือจิตนะไม่ใช่กายนะตัวที่ไปเมือนจิตเหมือนกับบ้านวันนี้มันเป็นบ้านร้างเมื่อไหร่คนออกจากบ้านไปแล้วตัวคนก็คือจิตนะี่แหละ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ้านเขาจะไฟจะไหม้ก็จะรือ้อก็จะทําลายก็เป็นเรื่องของเขาเกี่ยวแต่คนดูจิตมันต้องไปต่อนั่นต่างหาที่เรีว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในวตัตฏสงสารอันนี้ก็คือติดคุกแหละไปไหนไปติดคุกไปเสวยหลังจากติดออกจากรา น, นี้แล้วคือโลกของเราล่มนู่นแล้ว ไปเสวยไปทําบําเพ็ญอย่างพวกเราไม่ได้มันมีไม่ครบของเขามีแค่ขัน4ี่เคยอธิบายาหลายครั้งหลายหนแล้วทำไมถึงมาทําไม่ได้เพราะมีแค่ขัน4ี่ไม่ได้มีกัน5อย่างพ ว, าพวกเราไปเสวยอารมณ์แล้วแต่ระดับชั้นจนถึงขั้นฌานรูปฌานรูปฌานเป็นแคขั้ขนพรมแค่นึกคิดต่างกก็สําเร็จแล้วแค่อธิษฐานแค่นึกก็สําเร็จ สมมุติจิกินข้าวไปนี้่มันก็อิ่มแล้วมันจะเป็นไปประจับไปป้อนไปปรุงไปแต่งมันก็อิ่มคือไปโศงไปนั่นเองเขาก็มีแค่จิตเขาไม่มีรูปอย่างไรแล้วก็มีการเปรียบเทียบขคนมีคนจนคนรวยคนนะั้นไม่มีเมื่อไม่มีเมื่อไม่เห็นข้อแตกต่างจิตมันก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรแต่โลกเราเนี่ยมีทุกอย่าง ยากดีมีจนชั่วดีสิงสาลาสัตว์อันไหนที่มีสินบ้างไม่มีทรไม่มีศินเลยคนมีศิลมีธรรมเห็นหมดทุกอย่างผลของการมีสินมีธรรมเป็นยังไงผลของการไม่มีสินไม่มีธรรมเป็นยังไงเห็นกันหมดโลกเราถึงเรียกเป็นโลกที่มาบำเป็นบนุนเป็นกลางกลางไปสูงก็ได้ไปต่าก็ได้หรือไปยิก่กว่านี้ก็ได้ ร่างขอเราถือวโชคดีที่กลับมาเป็นคนในโลกของคนมนุษย์นี้ซึ่งเมื่อมันออกจากร่างนี้แล้วไปในชาตินี้มันออกจากจิตออกจากร่างนี้ไปไม่แน่ใจว่าจะโชคดีเหมือนคราวนี้หรือเปล่าเพราะจิตของเราอาจจะไปอยู่ในสภาพอย่างอื่นก็ได้เหมือนข้าวนอกแล้วยีตะเนี่ยอ่อนแอดๆก็เือเหมือนกับเราเนะี่ย เอาเอาเอฟเอฟแต่ถ้าจะไปฟังเทพทำทำอย่างนี้ไม่ได้คือพูดง่ายๆคือไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดเกเเจ็บแล้วก็ตายเลยมีเหมือนเราแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพวกเราคงไม่ต้องการอย่างนั้นผูไม่ปรารถนาอย่างนั้นนั้นเมื่อปรารถนาไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองพยายามที่จะ อยู่บ้านแต่ก็พิจารณาว่าตากบ้านโอ้เรามีบ้านมีอยู่มีร่างกายอยู่ดีแล้วการออกไปข้างนอกบ้างข้นระดัไม่เป็นไรที่สำคัญ ก, ก็ให้รู้อยู่เส ม, มอว่าเข้าไปแล้วออกออกไปแล้วเข้าเหมือนลมหายใจมันก็เข้าออกออกเข้าเลยสำคัญที่สุดคือสติตัวแปรสําคัญที่สุดคือสติซึ่งเปรียบเทียบไปฟังอก็เห ม, มือนกับสตัง โลกนี้ตัวแปรก็คือสตังใครจะอยู่สบายไม่สบายในระดับไหนตัวแปรคือสตังในตาธรรมก็เหมือนกันตัวแปรใน้าธรรมคือสติเพราะนั้นโลกกับธรรมต้องเข้าใจตรงกันว่าโลกคือสตังเอาสตังเป็นหลักธรรมคือสติถ้าอยู่แบบโลกอย่างเดียว ขยึสตังหาแต่สตังอย่างเดียวทั้งชีวิตขึ้น อ, อยู่แบบโลกก็ต้องทำใจนะการสตังที่หามาทั้งหมดอ่ะเข้าใจเป็นของตัวเองมันไม่ใช่พอเจ็ดออกจากร่างแล้วไม่ใช่เลยเป็นของใครก็ไม่รู้เป็นสมบัติของโลกอันเป็นของหลูกเป็นของหลานควาคิดของเราหรือเปล่าไม่รู้แล้วของตัวเองได้ไง จะออกกากร่างแล้วด้านตผิไปออกไปได้ไหมไม่ได้นะเราเขาเ้าใจตรงกันอย่างเนี้โอ้จะลืมว่าสตินี่นแหละตัวทีส่สําคัญตัวแปรอย่างน้อยที่จะกับัาขานอานาจขามน่าตรงที่ว่าสมมติว่าร่างกายนนี้เมื่อมันอยู่ไม่ได้อย่างน้อยเราก็มีสติวันหนึ่งที่มันจะอยู่ไม่ได้เราก็เรามีสติฝึกสติอยู่ไม่ได้ไต้องทํำไงแล้วออกจากบ้านีะต้องทํำยังไงมันจะทิ้งจากบ้านอันนี้ ไปแล้วจะอยู่ยังไงส่วนบ้านอันนี้แล้วแต่เขาเขาจะไปฝังเขาจะไปเผาจัดพิธีเล็กพิธีน้อยเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยต้องไปห่วงมันหวงที่ดูจิตต่างหากท่านเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวคือจิตนะเราต้องพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปเราต้องเรียนว่าซ้อมไม่เสมอ เมื่อจิตมันหลบอยู่ข้างในแล้วมัโผล่มาอีกทีก็อย่างนี้เช่นอคนนอนหลับพอตื่นขึ้นมาสติฟังเข้ามาอยู่ในตัวเองประชดที่อยู่แต่ว่ามันหลับไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาละเองมันไปแล้วไปเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหลือแต่ขันสี่อย่างเดียวขันห้าไม่มีแล้วมันเหลือแต่ดินน้ำไฟลมที่อยู่นียสุดท้ายวเราไม่เหลือ ด้วยแต่เวทนาที่อยากจะขันเนียนตัวนั้ น, นแต่มันต้องมีรูปที่เกาะไปติดไปทิฏิคือที่ตั้งของจิตมากดยึดเอารูปนั้นไปแล้วดูกับรูปฌานค่ารูปปรชานถ้าเราไม่เป็นเลยนึกไม่ออกเลยทำไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงจิตจะเอาอะไรปี่ตั้งจิตจะไปเกาะอะไรไว้จิตจะถืออะไรไว้ไม่มี เมื่อจิตมันไม่มีมันก็เรร่นจริงเรียกว่าสัมภเวสีมันกาเรร่นคือไม่มีบ้านม่มีที่เกาะมีที่เกี่ยวเร่ร่นไปเรื่อยจิตที่เป็นสัมภวสีสัมภเวสีนี่คือจิตประเภทหนึ่งที่ไปสวยอารมณ์อย่างนั้นแต่เป็นแค่เป็นเทวดาสวรรค์จะเรียกว่าชั้นอะไก็ดี า็สรุปก็คือไปเสวยมีหน้าที่สเสวยที่ตัวเองทำมาสเสวยจะเรียกว่าวิบาติกรรมหรือว่าเสวยผลของกรรมผลการกระทาของตัวเองตรงนี้ะแยกเวลาต่างกันพท่านั้นเองมพราะการเวลาของโลกเรากับโลกเขามันไม่ต่างมันไม่เหมือนกันคืออายุคือช่องระหว่บบางเกิดแก่เจ็บตายแต่ของเขานนั้ไม่มี พอแค่ประกอบตัวเช่นพวกพรมแล้วก็อยู่นานแต่แค่อธิษฐานหรือจิตมันเสื่อมจากสภาวะอย่างนั้นแต่มา น, นานนานเป็ น, ปนกับไปกันอย่างแรงยิง่งก็พวกเรามันเที่ยวกันไม่ได้มันก็โมหะมันล้อยู่อย่างนั้นจนมั น, มนหมดก็เหมือนเดิมเจ็บมันกลับไปเห ม, มือนเดิมกลับไปที่จิตเดิม เพระเาะนั่นถ้าเโมหะคือเราหลงในสิ่งเหล่านี้คือหลงรูปหลงอารูปหลงสุญญากาศก็คือหลงรูปประชานเอารูปปฌานผมปลอมเจ็ด ก, กี่ชั้นของขีดก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็อยู่ได้นะเขาก็สบายเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเอเคเขาอยู่เงี้สบายแล้วไอ้คนสบายเงี้คือเล่าไอ้คนนี้เสมอว่าในสบาว่าจิตของเราว่าคนอยู่ก็ะทบเขาเขาบอกสบาย ผมก็อยู่ในวังบอกเขาอยู่กระท่อมบางคนอยู่บ้านดีบ้านานงแต่เขาก <c oughs> ็รับสถานะสภาวะอย่างนั้นได้เขาก็าหมอเขาสบายเห็นไมแต่เขารับได้ในสภาวะอย่างนั้นสภาวะอย่างนั้นก็เหมือนกันเขารับอย่างนั้นได้เขาก็อยู่ได้ในภาวะจิตของเราดังของคุณนี้ถ้าเราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าเราก็เป็นมอหะเป็นมอหะจิต มันก็หลงหลงชาติหลงการเกิดมังจะกลับมาที่เกิดอีกเรวหลงชาบก่อนนั้นนะ่ะพบก่อนที่เป็นชาติคือพบแต่ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากจิตที่มีความรู้ความสามารถสามาธิมองย้อนไปข้างหน้าได้มองไปข้างหน้าได้เป็นจะรู้แต่จิตทั่วไปที่ทำได้ไม่มีทาง เราก่อนที่เป็นชาติหรือชาติาหรือชาติี่นี่มันก็จะภาวะคือพบที่การพรู้พบรู้พบแต่ว่าอยู่ได้นานระดับไหนอีกเป็นหนึ่องหไม่ถึงเป็นความรู้เฉพาะปัจจจตังบอกใครไม่ได้หรือบอกไปก็มีใครรู้ภาวะภูมิหรือชั้นความรู้กันมันลันระดับกันบอกไปถ้าคนเชื่อมันก็ดีแต่คนไม่เชื่อมาเก็อย่างนั้นพราะเจ้าจึงไม่สนับสนุนให้โพ้น หรว่าแสดงออกในเรื่องของพวกนี้เพราะผู้ไปคนปกติไม่รู้เป็นคนเคยไปกรุงเทพกับไม่เคยไปเลยคนเคยไปพูดนิดเดียวก็รู้เรื่องนึกภาพออกคนไม่เคยไปอธิบายยังไงก็ยังนั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อดูทำะไรไม่เคยจิตก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เคยประสบการณ์ตรงอย่างนั้นมาก่อน การที่บายย้ายยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะนั้นที่เราทั้งหลายฝึกเจอเนี่ก็เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับตัวเราเองจะ ก, การรับรู้ปัจจิตตังเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นกุณอาจารย์ทุกท่านหมดทันพลแก้สิ่งไวจะไม่มีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้ไม่สนใจในการเกิดแก่เจ็บตายพบชาต ไม่สงสัยสวรรค์นิพพานมันเป็นยังไงความสงสัยไม่มีมันหมดแล้วก็เรียกว่าไม่มีหน้าที่ไม่มีคิดอะไรที่ต้องทํามากไปกว่านี้กิดเบื้องต้นก็คือความมัดคงในพระรัตนตรัยนั่นเองคือมันแตกกันเลยมาในขั้นที่สองหลังจากนั้นคือรัฐจอนปล่อยวางได้ตามลําดับชั้นสุดาสกาาาาัาถาแต่พวกนี้ก็ยัง อยู่อาศัยรูปสิเ่เจริญโภธหว่าธรรมรมณ์อยู่พูดง่ายๆอย่างเสพการไดร้พระส ก, กัดอาคารก็มีลูกมีเต่าเหมืนอนกันพระที่ได้สเสวยไม่ใช่พระโสดาบันจะเป็นคารวะญาติอยู่เขาก็มีลูกมีตามีครอบครัวแต่เขามีสินาคาอีกพื้นฐานมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดมั่นคงเอาชีวิตเป็นประกัน จะไม่ดูดูดปรามากสิ่งเหล่านี้คือความมั่นคงบันใดขั้นแรกบันไดขั้นที่สามก็คืออนาคาเหมือนมีบ้านเหมือนกับไม่มีบ้านเหมือนกับพวกเราก็พร้อมที่จะออกจากบ้านหลังนี้พร้อมที่จะบ้านอังนี้ให้เป็นบ้านร้างพร้อมที่อยู่พร้อมที่จะไปอนณาคาร์ไปสภาพเหมือนคนไม่มีบ้านแต่เราควเข้าใจประจวบดอยู่ว่าจริงสภาพจริงๆก็คือพร้อมที่จะทิ้งบ้านหลังนี้ เยอะอนาคาร์ดอันนี้การมรรมณ์ก็จะหดหายไปเองมีก็เหมือนกับไม่มีไม่ได้ใช้หรือจะแห้งหายไปเองถา้ามีอยู่มันก็มีตามธรรมชาติของเขานั<ม>่นแหละแต่ว่ามันไม่แรงส่วนอรหันตะข้อสุดท้ายเข้าวีเนะี่ยไม่ใช้บริการพวกนี้นเลยปั<ม>จจัยแห้งไปเองคือไม่มีมีเหมือนไม่มีจริงๆ เมือนหยดน้ําอยู่บนใบบัวมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นอ่ะจะบอกว่าไม่มีหยดน้ำไม่แล้มันมีอยู่แต่มันมันไม่เกาะมันไม่พึ่งมันไม่อาศัยเพรามที่จะหลดเพร้อมที่จะไปหยดน้ําอันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดจึงไม่จะเป็ น, เ ป, นเป็นน้ําน้ําอันนั้นจะไม่สามารถที่จะผลิตผลผลิตใดใดในโลกนี้ถ้าเป็นเล็กค่าเขาบอก ระว่างขาศัตร like like ูก so ็เปลือกมันก็เปลือกมัก็เกิดได้แต่เป็นข้าสาตรเมื่อไร่กระเทาะออกเปลือกเมื่อไหรมันก็เป็นข้าสาตรูปกไม่ได้เลยเพราะอะไรที่ไปปลูกไปหานตั้งแต่ก็ไม่เกิดเลยพอกระเทาะออกหมดแล้วที่เราเราในจิตแจขงเราขันกระเทาะออกหมดแล้วจิตของเราเหมือนกันได้รับการกระเทาะแล้วโดยสภาวะก็เหมือนกันท่ากก็พร้อมที่อยู่ อที่จะไปเป็นอนาคาได้จริงๆคือไม่มีบ้านมีบ้านก็เหมือนบ้านก็คือมีร่างกายก็เหมือนกับไม่มีร่างกายพอท่านเข้าใจแล้วเรื่องบ้านช่องทองอันนี้เข้าใจขั้นตอนกันหมดในขณะที่จิตมันอยู่มันเข้าไปเลือกร่างกายเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นคนเราก็เหมือนคนนอนหลับบ้านอันนี้ก็มันดจะเป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่ลมเท่านั้นที่ประคองเอาไว้ อ, อื่นไม่ได้ใช้อะไรเลยเหมือนกันในขณะที่เรานั่งสมาธิก็เหมือนกันคล้ายๆอันเดียวกันแต่เวลานั่งสมาธิมีสติมันต่างกันตรงนี้แปล ว, ว่าภาพที่มันปรากฏออกมาเรียกว่าโมโนภาพคือภาพทางใจอันนั้นเกิดจากพวังขจิตจิตที่มันอกอบกู้ก่อชาติใจมันนึกอะไรมันก็ปรากฏตัวมาอาเราเรียกว่านิมิตอุกกห์นิมิตปฏิภาคนิมิต นิมิตมันม่ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นมันเปิดไปได้ครับวันิมิตเกิดขึ้นมันมีสติมันรู้เป็นรู ป, เ ป, รปเป็นร่างเป็นภาพก็อาศัยนะั้นเป็นประโยชน์ต่อพิจารณาต่อเพราะ น, นั้นคือรูปละเอียดรูปที่เกิดขึ้นจากการนึกคิดทุนเต็งเรียกว่ามโนโภาพจินตนาการแต่มันมีภาพจิรวนิมิตเป็นเรื่อเครื่องหมายซึ่งต่างกับฝันฝันภาษาฝันก็คือนิมิตนั่นแหละเดียวกัน ปาาราชญ์สามกเรอนิมิตโรงสุบินนิมิตคือฝันก็คือรู้ว่มนแหละแต่มันมีสตินะมันต่างกันตัวนี้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาเห็นนั่นนี่นู่นหมดเหเห็นเป็นภาพเป็นรูปเป็นราเป็นเสียงเหมือนกันหมดไม่เป็นจริงเป็นจ <t ort> ังแต่ว่าตื่นขึ้นมาคนละเรืไม่เกี่ยวฝันแต่สมาธิคนลอย่างมันมีสติมันมีรู้อยู่ในขณะนั้นเอาไปเป็นภาพก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นกลิ่นก็ตาม นีคือข้อแตกต่างีอยู่ที่ว่าภาพเสียงกลิ่นเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะตละต่อตัววางไม่ให้มันหลงกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนั่นต่างหากแต่ที่สำคัญคือทําอย่างไรให้เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆและก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันตั้งอยู่ได้มันดับไปอย่างไรแปลว่า ทำให้มันเกิดก็ได้ทำให้มันดับก็ได้เหมือนจุดเทียนจะจุดมันก็ได้จะดับมันก็ได้จะเป็นประโยชน์กว่าแต่ถ้าเราไม่ทํำเลยมันก็ไปตามขั้นตอนของมันถ้าเราจุดเทียนปั๊บเนี่ยขั้นตอนของเขาเขาก็เดินไปตามเพื่อนตามราขเขาเทียนมันก็สั่นลงสั่นลงสั่นลงตามการเวลางตามอายุชีวิตเราก็มเหมือนกันเหมือนกับเทียนนั่นแหละเราจะเริ่มเข้าใจสภาวพาะนี้อ๋ออันนี้เองที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ก็คือใจรักนั่เองไปนั้นนิมิตหรือเทลาไหละไรก็คือมุ่งไปที่ใจรักเป็นหลักไปที่นี้นี่คือจุดสูงสุดแต่เห็นสรรพสิ่งทั้งหมดสรรพสิ่งรวมทั้งสรรพสัตว์ด้วยถ้าสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งสองอย่างมู่ปฏิใจรักจะเห็นความเป็นใจรักของสรรพสิ่งของสรรพสัตว์นั่นคืออนิสงค์หรือว่าผลแห่งการภาวนาสุดยอดของการภาวนา อยาเป็นไปนเพื่อการละทอนปล่อยวางเมื่อจิตมันมาจากออกจากร่างเมื่อไร่ออกจากบ้านเมื่อไหรจะไม่ไมีความไม่ตกกลางวนเพราะมันไปดีจิตเดียวสุขคัโตมันไปดีคนไปดีแล้วจะไปมีควไม่ตกกลงบลอย่างไรต่างคนไปแล้วมันไม่ดีมันก็มีความไม่ตกกลงบนแต่สิ่งสำคัญคือไปแล้วไม่รู้ทิศทางเลยไม่หลับประกันเลยอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดจิตไม่มีหลับประกันใดๆเลยวะ จิตออกจากร่างไปยังไงอยากเป็นห่วงนั่นนี่นึงอยากไปเกาะอยู่กับข้างนอกอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็สิ่งนั้นสิ่งนีสิ่งที่เองหามานั่นแหละกลายเป็นภาระกลายเป็นของผูกพันกลายเป็นเชือกมัดตัวเองรถกูซื้อมาหกแสนอยู่ยังไงแม้จะเลี้ยงมาทั้งชีวิตจะอยู่กันยังไงนั่นแหละคือเชือกมัดตัวเองแล้วจิตมันจะไปไหนมันก็จะอยู่อย่างนั้น ก็จะวนกลับไปอันตรายเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดจากการอิปัสนานี่ิปัสนาคือรู้ข้างในคือรู้จริงรู้ด้วยปัญญาเรียกว่าอิปัสนาเพราะปอิปัสณาจึงไปว่าทั้งเห็นและก็รู้ไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเห็นรู้แต่นี้หมายถึงด้วยปัญญาก็คือใจรักนี้เห็นแล้วท่านมันจบด้วยใจรักว่ากระบวนการของมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดแล้วกระดับไปทุกสรรพสัตว์และสรรพสิ่ง มันเป็นของมันอย่างนี้ก็จบแล้วเราไม่ต้องไปตกังวันแล้วมันก็ทําหน้าที่ของมันเหลือแต่การเวลาเรียกว่าอายุไขเมื่ออายุไขคือหมดอายุเมื่อไหร่เหมือนยาก็ใช้ไม่ได้แล้วยาหมดอายุก็จบแล้วคนหมดอายุก็ใช้ไม่ได้แล้วสภาพนอย่างเี้ยอยู่แค่นี้มีเกินร้อปีจากนั้นมันกระเทาอะไรไม่ได้แล้วคนตายไปนี่คือลักษณะคนที่ ผู้ขรมพัฒนาตัวเองดีแล้วจะไม่มีความไม่ตกกังวลไม่ห่วงไม่ใย ห, หรือก็มีที่พึ่งมีช่องทางมีแนวทางมีอุดมคติเป็นที่ตั้งชัดเจนตรงตามหลักพุทธธรรมหลักนิวิตาตรัสเอจจ า, าไว้ก็คือพันิพัณฑ์พันิพัณฑ์ก็คือเป้าหมายของพวกเราคืออุดมคติที่เป็น พี่ไปเอาดมไปสู่สูงสุดของเราฟันในผ่านนั่นคือเป้าหมายชีวเราก็จะมีเป้าหมายจากที่เมื่อก่อนเราไม่มีเป้าหมายสเปสะสปะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีจุดหมายมีเป้าหมายมันต่างกันขับรถไปเรื่อยไปไหนไม่รู้โดยไม่รู้ขับรถไปไหนไม่รู้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าขับรถจะไปไหนไปวัดเออเป้าหมายคือว่า ชีวิตเราเหมือนกันต้องตั้งเป้าอะไรชีวิตเราจะไปไหนจะขับเคลื่อนไปไหนมีเป้าหมายหรือยังก็ใหคิดทุกวันอย่างนี้นแล้วมันจะมีเป้าหมายเราจะไม่ต้องไปห่วงไม่ไปวอนไหวไปตามสัญญาอารมณ์ใครจะพูดยังไงก็ช่างว่าเป้าหมายของเราเป็นอย่างนี้เป้าหมายของชีวิตของเราทีนี้ทํำยังไงดีให้เดินให้ใกล้เป้าหมายให้มากขึ้นทุาทีมากได้ฝึกจริง ยิงปืนก็มีเป้าแล้วก็มีไม้อยู่แล้ว แ, ลแรกๆอาจจะห่างกันบ้างก็ใกล้เข้าใกล้ขเข้าถึงเข้าเป้ายิงถูกเป้าไมา้ชีวิตเราเหมือนกันก็อาจจะไม่รู้สเปกจะปาไปบ้างค่อยฝึกก็เห็นค่อยรู้ค่อยจําค่อยแจ้งค่อยผ่อนค่อยคลายไปเรื่อยๆเราเกีเริ่มเข้าใจในชีวิตจิตวิญญาณมากขึ้นชีวิตก็เริ่มผ่อนคลายสะดสบายทตนี้ก็แยกเอาอบ้านคือบ้าน คนคือคนกายคือกายจิตคือจิตก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่เขามีอยู่ตาเขาทาที่ของเขาหูทําหน้าที่ของเขาปากทำที่ของเขาจมูกทาที่ของเขาเท่านั้นเองก็มีแต่หน้าที่ของเขาททขเขาท่า น, นั้นเองเมื่อมันทําหน้าที่ไม่ได้หมดแล้วก็หมดไปอันนี้คือประโยชน์ อนันประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมจำสิ่ลภาวนาของพวกเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้จะเป็นระบบแล้วก็เข้าถึงสิ่งเราดีบ้านคือเข้าใจจนเรียนรู้อย่างที่ในิโรธจัดเขาเข้า เ, เ, เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสามอย่างสําคัญมากสามอย่างที่นิโรธจัดไว้เพราะในิโรธเขาเป็นนักภาวนา มันถึงในหลวงรอกรรมมันเป็นนักภาวนานคําแต่และคำที่ออกมาการบอกมาเกิดจากการภาวนานรักเป็นหลักคําสอนของพุทธเจ้าทั้งนั้นทีจตรัสออกมาสำคัญมากเข้าใจเราเข้าใจหรือเปล่าเข้าถึงมันเข้าถึงหรือเปล่าพัฒนาหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆเข้าใจสมมุติเราจะพัฒนาอยู่บ้านหนึ่งบ้านไหนก็นแล้วแต่โดยสมมติ เราต้องเข้าใจว่าสภาพพวกเขาาต้องการอะไรบ้านแบบนี้ก็ขาดอะไรขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไฟขาดข้าปลาอาหารนี่คือความเข้าใจเข้าถึงคือไปถึงที่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านแตคิดโอเองเข้าถึงแล้วก็พัฒนาลงมือทําขาดน้ําก็าน้าไปให้ขาดดินดินไปให้ขาดไฟเอาไปไปให้เดี๋ยวาใจเข้าถึงมันจึงเกิดการพัฒนา เร็วเจอพอใจก็ถึงพัฒนาเจตของเราเหมือนกันแต่เราเข้าใจเข้าถึงอยู่ในใจเราเข้าใจแล้วก็เข้าถึงขึ้นจนอยู่ในใจแล้วพัฒนาก็เริ่มพัฒนาใจเราสามคำนี้จะเป็นธรรมะโอติวสุดยอดพวเร า, าออก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแห ล, ละถ้าเราเข้าใจเข้าถึงพัฒนามีกระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้นเจริญแน่นอนนี่คือกระบวนการทําให้ชีวิตของเราเจริญ จะเรีว่าภาวะนาทําแล้วแต่มั้นกายก็จเจริญวาจา ก, ก็จเจริญจิตก็จเจริญดูจเจริญขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เราปฏิบัติที่เราทํามีความจเจริญเกิด ข, ขึ้นตามลำดับ น, นี่คือการนักภาวนาเป็นอย่างนี้ตรงข้ามกับนักไม่ภาวนามัน ม, มีอะไรเลยนี่การเข้าถึงคือไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีการพัฒนาคือมมีควา ม, า ม, วามจเจริญเกิด ข, ขึ้นในด้านของจิตใจ มันก็สบายวะเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมหลังเหมือนเดิมเรื่องมีความโลภความโกรธเหมือนเดิมตรงข้ามถ้ะเราเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปอยู่มันก็เกิดมีการพัฒนามีการเจริญแล้วถ้าศีลก็ไม่มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีเหมือนเดิมมันก็มีแต่ความโลภความโกรธหมู่บ้านนะจะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงบ้านหลังนั้นร่างกายของวัน จะมีความทะเลาะเบาแหว่งขัดแย้งกันเราจะอยู่อย่างไง น, นี่คือสาระสําหรับผู้เราเข้ามาคืนวันนี้พอหลังจากนี้ไปลุกลุกอีกนี่เป็นปลายเดินกันก็ไม่ชูแล้วก็เลยถือว่าเอาเป็นแนวเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติให้เราเออกไปต่อยอดเอาไปคิดเอาไปตนาไปถวบทให้เข้าใจให้เข้าถึงแล้วก็พัฒนาเกิดการเจริญขึ้น ขอทนราได้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญทางธรรมขอรทั้งหลายได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด